ก็ความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงประโพธิาณกำลังนำเสนอเรื่องสัมมาวามารคือความพยายามในทางที่ชอบแต่ได้นำกระจายออกมาให้เห็นว่าผลทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลก็ต้องอาศัยการใช้ความเพียรพยายามผลดีก็ต้องใช้ความเพียรพยายาม ผนชั่วก็คือขึ้นมาจากความเพียรพยายามขอความพยายามมันก็มีทั้งสองทางนะฮะเขาเรียกมิจฉาวิญญาณสมาวิญญาณคือความพยายามในทางที่ผิดหรือความพยายามในทางที่ชอบแต่เมื่อเป็นองค์อริยมรรคเราก็พูดถึงความพยายามในทางที่ชอบกำลังนำเสนอองค์ธรรมตามโครงสร้างของ สังวรประทานกับปาณประทานคือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเราศึกษาเห็นโทษแล้วก็พยายามป้องกันไม่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นสังวรประทานคือเปลี่ยนพยายามป้องกันบาปไม่เกิดขึ้นไปในจิตสันดานแต่ทีนี้ถ้าตนมีพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่แล้ว แล้วก็ตรวจสอบดูมองเห็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายเป็นความไม่เหมาะไม่ควรก็เปลี่ยนพยายามลดละก็อย่างนี้ก็เป็นบาหาณประทานคือเรื่องเดียวกันนั่นเองจะเั็นกรที่ยกตัวอย่างทุกสุภาน์หกลักษณะนะหกลักษณะโดยส่วนมากแล้วเขาก็อยู่ในคนคนเดียวนะฮะก็อยู่ครบทั้งหกลักษณะหมายความว่าเป็นมาตรในการวัดตัวเอง ก็สอบดูว่าเรามีความไม่ดีเหล่านั้นอยู่บ้างหรือไม่ถ้ามีก็พยายามมองเหตุโทษแล้วปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามที่จะลดละให้จางคลายลงไปโดยลำดับคือไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ถ้ายังไม่มีเราก็ป้องกันตนเองไม่ให้เข้าใกล้ไม่เกี่ยวข้องก็ผ่ามสมาคมบุคคลเหล่านั้น ในกรณี้ก็บุคคลก็คือเขาก็เป็นผ่านเราเป็นผ่านเราก็ต้องปางป้องกันให้ไกลก็คืออย่าคบผ่านแต่เราคบงเข้าไปแล้วก็ยากนะฮะที่จะหลบหนีอย่างน้อยที่สุดก็คือถุกมองว่าเป็นคนเกี่ยวข้องกับคนผ่านคือวันนี้จะมองถึงธรรมะอีกชุดหนึ่งซึ่งโบราณบัณฑิตแสดงไว้นะครับ คือต้องการให้คนสอนเป็นกระบวนการก็คือโทษกอความเกียดคร้านนั่นเองอย่างวันก่อนได้พูดถึงโทษของความเกียดคร้านไว้ว่ามันจะมัวผัดวันประกันพรุ่งอ่างหนาวนักร้อนนักเย็นแล้วเช้าอยู่สายนักกระหายนักขิวนักปวดหัวปวดทอ้องละไรต่างๆอะรบ้า แล้วก็จบลงว่าตนเองไม่ต้องทำการงานแต่โดยปริยายหนึ่งนั้นท่านแสดงเอาไว้ในบันดิตกันมีหข้อเหมือนกันท่านบอกว่าคนเกียรติครานย่อมไม่ผ่านภ พ, พิชานี่พูดเฉพาะกรนีของการศึกษาแต่อย่าลืมว่าการศึกษานั้นเป็นตัวอย่างหมายความว่าทุกเรื่อง จะเป็นการศึกษาจะเป็นการปฏิบัติจะเป็นการทำงานจะเป็นรประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะครับถ้าลงว่าเป็นคนเกียกร์ครานแล้วก็จบสิ้นกันคือไม่มีทางที่จะได้ผลดีตามที่ตนต้องการแต่ว่าบนเส้นทางของความเปี่ยนพยาวก็ไม่ควรจะลืมเรื่องปัญญาเรื่องสติปัญญา พอถ้าหากว่าขาดสติปัญญาแล้วมันก็มีปัญหาอาจจะเพียนพยายามผิดก็ได้เดียจะดึงปัญหามาสู่ตัวเองก็ได้พดถึงสมาวัยมะวันก่อนเนี่ยฟังวิทยุดึกละฟังรายการธรรมะก็มีโยมโทรมาคุยกับพระบอกว่าเวลานี้มันเพี้ยนกันใหญ่ แปลว่าความเพี้ยนว่าความกล้าหาญนะที่จริงกล้าหาญจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าเราใช้ในัยยะของมันคือแทนที่จะแปลว่ากล้าหาญเนี่ยเราแปลามาจากความพยายามพยายามก็ออกมาจากวยามะในพยายามแล้วบางทีเราก็เราก็แปลงครับนะฮะบิรยะก็คือเพี้ยน่ะ แล้วก็ทับไปเป็นความเพียรแต่จริงๆวีริยะนะวีระนั่นเองวีระก็แปลกล้าหารหมายความ่คนที่มีความเพียรนั้นจะต้องไม่หวัดวันพรั่นพรึงต่ออุปสรรคอันตรายพร้อมเดจะก้าวรุดไปบางครัง้งทรงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับผานไถที่ลุยด่าไปข้างหน้าไปเจออะไรก็ไม่รู้ว่าผานก็ต้องทะลุทะลวงไปให้ได้สมัยปัจจุบันก็อาจจะเทียบเคียงเหมือนกับแ็เตอร์ ที่ลุยทะลดทะลวงไปเรื่อยๆได้จนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นการแปลว่าความเพียรคือความกระหายนี่ก็ถูกต้องแล้วนะฮะเพถ้าเราหวัดวันรุปสักคอันตรายอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายหมายความมั้งไงหมายความเรากลัวความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเวลาเช้าสายบ่ายเย็นปวดอุจจาระปวดปวดัสสาวะอะไรแต่ออะไรเราก็อ้างกลัวหมดเลย ทีนี้คนไม่คํานึงต่อเรื่องเหล่านี้ก็คือกล้าหาญไม่กลัวนะครับก็ไม่ทราบว่าก็าไปปัญหาสาคัญว่าเราไม่ค่อยได้อ่านใน้ใหหลายคือสัพ์แต่ละศัพบเนี่ยเขาไม่ได้แปลคําเดียวหรอกความหมายมันเยอะคือศัพ์เนี่ยมันนีดน้อยกว่าธรรมะสภาวะของธรรมะเช่นคาว่านิพพานเนี่ยมันต้องใช้คําสื่อตั้งก็ร่วมร้อยคำ เว่าหมายก็หมายถึงนิพพานแต่นั้นในกรณีเนี้ยท่านสอนยกตัวอย่างให้ดูว่าผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเนี่ยมันเหมือนกับการว่ายน้ำทนกระแสมันจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เดียวความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญไม่ประวันพันพึงตขึ้นต่อลมต่อหนาวต่ออุปสรรคต่อปลาร้ายะอะไรต่างต่างเนี่ย ต้องว่าทวนกระแสขึ้นไปให้ได้แต่นั้นคือการแสดงถึงความมีชีวิตเพราะวา่าเรียกว่าน้ำร้อนปราเป็นน้ำเย็นปลาตายคือปลาที่ลอยทวนน้ำมีแต่ปลาตายแต่นั้นเองวนคนเราถ้าลอยไปตามกระแสของความเกียกียดครานเนี่ยก็คือคนที่ตายแล้วนั่นเองดั่นนมีโอกาสที่จะเจริญประสบความสาเร็จมก้าวหน้าในภารกิจการงานได้ นั้นท่านก็เตือนให้เห็นว่ายกตัวอย่างในการเรียนเนี่ยในการเรียนในเรนนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงคือความคิดของนักการศึกษาในบ้านเราเนี่ยแต่ว่าท่านเก่งท่านก็เก่งแ้าว่าไม่เก่งเท่าไหร่ก็ไม่เก่งเท่าไหร่เพราะถ้าเรามองให้ดีว่าปัญหาในบ้านในเมืองเนี่ยนะปัญหาในโลกไม่ใช่ปัญหาในบ้านในเมือง มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องความรู้ทางวิทยาการทั้งหลายเพราะวิทยาการทั้งหลายจะเราเรียนกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้เราใช้มันก็เขาผิดขึ้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือใ้ใช้แล้วจะนูเรียนาคณิตศาสตร์มาแทบเป็นแทบตายเลยแต่ผลท้ายที่นี้มีเครื่องจิ้มเครื่องเดียวก็จิ้มมาได้สบายแล้วไม่ต้องทาอะไรเลย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เ ค, ครื่องรบนกลไกไฟฟ้าสารพัดที่เรียนผลท้ายเขาก็สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องให้เรารับให้เราจุดให้เราเปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าลองสังเกตว่าเราไม่รู้นี่คนอื่นก็ทำให้เราได้มันเสียคนอื่นก็ซ่อมให้เราได้พิจ า, ารณาทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะพวกพที่ศึกษาพวกภระศึกษาพวกหันตถศึกษาเนี่ย เวลาเนี้ยมันสื่อที่จะสอบถามเนี่ยมันไม่เยอะแต่เราลืมมองที่จริยศึกษาว่าจริยศึกษาแล้วมันคือชีวิตทั้งชีวิตอะแล้วสังคมที่มันมีปัญหาเวลาเนี้ยจนต้องมีผู้สวจการรัฐสภามีสารปกครองมีสารรัฐมนูญมีกรลอตมีกอกตนะมีกอรอตอนะกอรอตอมีปปอชเนี่ยถามมาเพื่ออะไร เพื่อขจัดความทุจริตในสังคมมนุษย์เนี่ยเรามีสารสารพัด ส, สารมีอายการมีเรือนจํามีอะไรแต่ไรเนี่ยคือปัญหาจริงๆปัญหาโลกเนี่ยไม่เป็นปัญหาศีลธรรมปัญหาสังคมอ่ะคือปัญหาศีลธรรมเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีนะฮะอะไรต่ออะไรต่างๆเรื่องเศรษฐกิจของเราที่ล้มลงไม่เป็นท่าเมื่อ40เนี่ย ถ้าเราสาว้ลึกจริงๆเนี่ยคือปัญหาสินธรรมปัญหาคนไม่ละอายต่อบาปปัญหาของความะโมบโลภจัดซึ่งอยู่ภายในใจของคนทั้งหลายเศรษฐกิจเอาเป็นผลที่ตอบมาไปยังลึกชมรัฐบาลทักษิณอยู่นะฮะว่าคือเราพูดมันตั้งงานแล้วนะปัญหาสี่ข้อเนี่ยปัญหาโง่จนเจ็บ แล้วก็ขาดวางขาดการวางแผ OK นครอบครัวปัญหาเรื่องความไม่รู้ปัญหาเรื่องความยากไร้ปรัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บปัญหาเรื่องการขาดวางแผนครอบครัวเนี่ยพูดกันมาอาจจะนานแล้วแล้วพูดอย่างนี้ทุกทีอะนะฮะในด้านการศึกษาเราจะพูดถึงความรู้ความคิดความสามารถและควคุณธรรมในด้านความมั่นคงเีาจะพูดความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางการอาหารเราพูดกันอยู่เนี่ย พูดกัเมิระกี่ครั้งแล้วแต่เราจะเห็นว่ารัฐบาลทักษิณนี่ข้ามมาสีห้าเดือนแั้มันแก้ที่โง่จนเจ็บลดปัญหาที่โง่จนเจ็บลงไปได้คือโง่ตัวตัวท่านนายกเองก็ลงมาเป็นผู้นำดังการไปร่วมการศึกษาแล้วก็มีนิมิตหมายที่ดคีคือใจกว้างนะะมีวิสัยทัศน์แต่ก็ใจกว้างยอมฟังความคิดความเห็นของคนอื่น เต่พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ให้คำตอบที่ดีที่สุดว่าปฏิรูปไปแล้วนักเรียนจะได้อะไรคือผู้เรียนเนี่ยนักเรียนนักศึกษานิสิตกว่ากันไปคือจะได้อะไรมันไม่ใช่ว่าข้าราชการได้ตำแหน่งสูงขึ้นในสีมากขึ้นเป็นการกระจายอำนาจไอ้กระจายบางทีมันก็กระจุยนะกระจายดีไม่ดีก็กระจุย แล้วก็ปัญหาเรื่องความยากไรนะ้ก็เงินหนึ่งล้านหนึ่งตำบลหนึ่งล้านปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็บาสามารถดูรักษาโรคได้เนี่ยคืยังค ม, ม, มก็เอลูกเล่นก็ดีข้าวทีะเข้ามาถึงเนี่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกลียด ร, ร้านแล้วก็เหลียวหมดไม่ว่าปัญหาการศึกษาพุที่ศึกษาทศศึกษาบาล ศ, ศึกษาเจริจศึกษาเนี่ย ยังไงว่าจริยศึกษาเนี่ยศึกษาแล้วต้องปฏิบัติแล้วกลายเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมวิชาเหล่านั้นวิชาเราอื่นเนี่ยเราอาจจะมีแต่ไม่ได้ใช่เลยรู้กันเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้ใช่อะไรเลยแต่เรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมต้องใช้ทุกขณะนะ บนการาก่อนๆก็ลองถามครูว่าอาจารย์ไม่มีสตางเนี่ยอาจารย์สามารถมาที่นี้ได้ไหมแกบอกมาได้ถามว่าอาจารย์ไม่มีสตินี่มาได้ไหมมาไม่ได้ให้นั่งรถเบนซ์มาจะไม่มีสตินี่มาไม่ได้ฮรับยิ่งนั่งเครื่องบินยิ่งตาใหญ่เลยเห็นว่าธรรมะเนี่ยมันจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะตรงนี้ความเกียจคร้านเนี่ยคือการไม่มีธรรมะเป็นลักษณะของความโง่ความเห็นแก่ตัว ความต้องการสะดวกสบายผ่้นั่งก็ยกมายดูเป็นตัวอย่างนะว่าคนเกียรครานย่อมไม่ผ่านภพวิชาแล้วก็อสิ ป, ปัสสะกุโตถนังไรวิชาหรือจะหาทรัพย์ได้คนเรามุ่งหมายสถานะทางเศรษฐกิจมุ่งหมายสถานะทางการเงินแต่อย่าลืมว่าความรู้เนี่ย ก็เ ร, เรียกว่าคุณวุฒิเนี่ยประสบการณ์คุณวุฒิจะต้องผ่านภาคสนามไปเราเรียกว่าประสบการณ์ถ้าคนมีคุณวุฒิสูงมีประสบการณ์มากแล้วเนี่ยงานจะสบายบ้างแต่ยันลือมาทั้งสองอย่างเนี่ยวิชาเองก็ต้องใช้ความเ พ, ย, พยายามสร้างขึ้นรวมการศึกษาที่จะต้องผ่านกระบวนการหลัก ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นห้าข้อเนี่ยคือมีการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสสูงแล้วก็มีความทรงจำเรื่องราวเหล่านั้นไว้ได้มากหลักการสูตรกฎต่างๆนี่ต้องแม่นแล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดอย่างมีระบบมีกฎเกณฑ์คิดได้คิดดีคิดเปลี่ยนคิดชอบมีกระบวนการในการคิดแล้วก็ เข้าใจในเรื่องเหล่านั้นแต่สามารถที่จะมองผ่านมิติออกไปสู่มิติต่างๆได้จะเรามองดอกไม้เนี่ยเรามองดอกกุหลาบแต่เราต้องนึกให้เห็นดอกไม้อีกสีช น, นิดดอกกุหลาบนั้นรูปก็สวยกลิ่นก็หอม ตรงกันข้ามดอกกุหลาบคือรูปไม่สวยกลิ่นไม่หอมคล้ายคลึงกดอกกุหลาบคือรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมแผลเพี้ยนกับดอกกุหลาบคือรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมเหมือนกับดอกกุหลาบก็คือดอกกุหลาบทั้งหลายนั้นก็หมายความว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนถ้าเราจับหลักวิชาพระพุทธศาสนาได้ คืออะไรบันดาลใจวันนั้นที่จริงมีแรงบันดาลใจอะไรว่าต้องควรไปพูดที่มวกเหล็กมันบรรยากาศของรีสอร์ทคือไปพักรออาจารย์เข้าห้องมันก็นั่งรับลมภายใต้ร่มเงาต้นไม้ปรากฏว่าพูดเสียงใสได้นะเสียงไม่แหบตั้งสองชั่วโมงกว่าแล้วก็ยกตัวอย่าง ที่ปรากฏอยู่ในที่นั้นให้ครูบาอาจารย์ท่านดูไว้ค้นทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นมาจากเขต้ทรัพย์เองถ้าเราขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการหาทรัพย์เราก็หาไม่ได้มันก็ต้องมีความเจนนิชนาญมีความเจนนิชนาญก็ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ทั้งห้าประการมาดังกล่าวแล้ ว, แ ล, วแล้วก็มีประสบการณ์ภากสนาม สามารถใช้ความรู้ความสามารถนั้นประกอบสามารชีพของตัวเองได้แล้วก็จากนั้นก็เมื่อเราสแสวงหาทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นว่าในกระบวนการสแสวงหาทรัพย์พระเจ้ากรสะสงแสดงเรื่องหลักการต่างๆเอาไว้ว่าอุานะทาห์ัมบัตมีความหมันกระยันแต่ถ้างโง่มันห ม, ม, มันกระยันไม่ได้ มันต้องมีความฉลาดในเรื่องแ บ, บนั้นทํางานได้มีความรอบรู้ทํางานได้รวดเร็วสําเร็จลงด้วยความเรียบร้อยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสิ่งถ้าเรามีความรอบรู้แล้วเนี่ยอะไรก็ตามมองหน่อยเดียวเราก็เราคิดออกแล้วนะครับเจตสมมุติเรื่องเราไม่เคยเห็นเลยแต่เรามีความรู้มีการศึกษาเราเรียนมาเนี่ยเรามองหน่อยเดียวปเดี๋ยวก็ทําได้ มันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรนักหนาเป็นไวแต่อย่างพวกเครื่องยนต์กลไกต่างๆอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอัตมายัางทําไม่เป็นนะคือยังไม่มีโอกาสที่จะไปเจาะลึกไปตั้งใจศึกษาจริงอาจังก็นึกว่าถ้าจะศึกษาก็คงวันสองวันค ง, งทําได้นะแต่ถ้าเรื่องที่เรามีประสบการณ์อยู่บ้างหรือเราผ่านกัน เรียนมาบ้างเนี่ยมันจะง่ายในการศึกษาโราเรียนในการประกอบอาชีพการทํางานทั้งหลายเนี่ยทีนี้คนถ้าไม่มีทรัพย์เนี่ยมันยากที่จะมีเพื่อนนะเพื่อนที่คบกับเรานั้นส่วนมากแล้วก็เรียกว่าต้องอิงอาศัยกันในกันคือร่วมทุกร่วมสุขกันได้ไม่ใช่ว่าโหนเกาะคนใดคนหนึ่งอยู่ตลอดระยะเวลาเจอเพื่อนทีขอสตางเจอทีขอสตางพี่น้องเจอทีขอสตางอย่างนี้ก็แย่ มันไม่ได้อิงอาศัยกันเพื่อนเนี่ยมันต้องมีความรักใคร่ต่อกันจิตมีอุปกราระคุณต่อกันแล้วก็พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วก็ทําอุปกราระคุณระหว่างกันไรกันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีทรัพย์เนี่ยใครก็อยากจะพบเราเขาก็ไม่ไม่มีใครก็ต้องการจะคบเพราะงั้นเมื่อเราไม่มีสหายเนี่ยเราจะได้ความสุขอย่างไคร ไปที่ไหนก็เพ่งนะไปที่ไหนก็เพ่งเลยจนเราจะไปสมมติเราจะไปเชียงใหม่แต่เราไม่รู้จักใครเลยเนี่ยยิงถ้าเป็นพระยิ่งเควงใหญ่เลยแต่ เ, เป็นชาวบ้านมีเงินมีทองไปหาโรงแรมมาได้นะเพราะความสุขเนี่ยมันต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเพื่อนเพื่อนคู่คิ ด, ดคู่ใจตัวเอง เพราะมนุษเป็นสัตว์สังคมมนุษยจะต้องอิงอาศัยซึ่งกันอะไกันดังนั้นกระบวนการเหล่าเนี้ยเราลองสังเกตว่าคนเกียรครานย่อมไม่ผ่านพบวิชาไรวิชาหรือจะหาทรัพได้ไรทรัพย์หรือจะนับเป็นสหายคือไม่มีใครเขาต้องการจะเกี่ยวข้องกับการสมาคมกับเราทีนี้ถ้าเราไม่มีสหายเราเสื่อมจากนิตรไม่มีใครพบค่าสมาคมกับเราแล้วเราจะหาความสุขจากที่ไห น, น เพราะการไม่มีสหายการสืบมนิรหรือจะหมายความสุขสมานทีนี้ถ้าเราไม่มีความสุขแล้วเนี่ยมันจะมีจิตที่กระตือร้อนจะประกอบการกุศลหรือเพราะว่าสภาพจิตมันไม่ดีไ ม, ไ, ดมนนไม่ได้มีการแ น, นะนำไม่ได้มีการละยานมิจนะที่พระเจ้าทรงแสดงในมงค ล, ลสูตรไว้ให้พวกป่าสมาคบบันดิตเนี่ คือคนเราจะต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณสหายเพื่อจะเป็นที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันแต่ทีนี้เมื่อเราไม่มีความสุขโอกาสที่จะบําเพ็ญกุศลต่างๆเนี่ยมันไม่มีเพราะเราเองก็ยังยังยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยรอย่าลืมนะครับมันเริ่มมาจากไม่มีทรัพย์ไม่มีความรู้ เอาแล้วมาเป็นผลผลพวงกระทบมาแต่นั่นเดียเมื่อเราไม่มีทรัพย์เราไม่มีความรู้เราก็ไม่มีความสุขเมื่อมีความสุขก็ไม่สามารถที่จะประกอบบุญกุศลเดี๋ท่านก็บอกไว้ในข้อสุดท้ายว่าอปุญยญสกุโตนิบานางังไร้บุญหรือจะดนพระนิพพานหมายความคือเราถ้าไม่มีบุญกุศลคือไม่มีบารมีเลยเนะ เดี๋ยวลืมคนจะไปสู่นิพพานเนี่ยมันพูดง่ายนะฮะแต่ว่าทํายากเพราะมันต้องอาศัยบารมีเยอะเลยแล้วบารมีนี่มันเสื่อมได้ด้วยนะคนที่บารมีไม่เสื่อมนี่มีพวกเดียวตันเด็กคือเขาเรียกปัชิมะปะวิจัสสัตคือคนที่เกิดมาในชาติสุดท้ายถ้าไมาอย่างนั้นเราเสื่อมหมดนะเสื่อมกขนาดตกนรกนะฮะเห็นไหมพระเทวทัตก็ดีพระเจ้าชิจฉาตุสูก็ดี บารมีไม่เบานะฮะพระเจ้าชาติโซนั้นถ้าไม่ฆ่าพ่อเสียก่อนอาจะบรรลุมรรคผลเป็นโซดาแต่ว่าปีตุฆาตเนี่ยมันทําลายโซดาปฏิมาทําให้ท่านไม่สามารถบรรลุมรรคผลเป็นปโซดาบันได้ปฏิเวททัตก็ตามอิเลเกขะก็เลยก็เละก็ตกโรกหายไปเลยนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบารมีเนี่ยมันน้อย และแทนที่จะไปเพิ่มบารมีมันกลายเป็นการเพิ่มบาปมันเพิ่มบาปบุญนก็ลดนะบุญก็ลดก็ทำตัว ห, ห่างไกลพระนิพพานออกไปในสมัยพุทธกาลยังมีเศรษฐีบางคนเนี่ยบารมีขึ้นถึงอนาคามีนะแต่เพราะเกียรติ้านนะฮะเกียรติ้านเด็กโง่ๆด้วยนะคือไม่มีวิชาเกียรคร้างก็ไม่มีวิชาไม่มีวิชาก็โง่งนะ ไม่สามารถประกอบสามาชีพไม่เป็นหลักเป็นฐานได้ในสุรการเป็นขอทานนะเศรษฐีจากเศรษฐีมีทรัพย์ปดสิบโกรดเนี่ยไม่ใช่แปดสิ0โกรดที่สองฝ่าย160ร้อยหกสิบโกรดมีทรัพย์ตั้งร้อยหกสิโกรดนะเพราะอะไรเพราะว่าเหยียดครานไม่เรียนหนังสือดังหามีทรัพย์ก็รักษาไปไม่ได้ แต่ถ้าเรามีวิชาเนี่ยแม้ไม่มีทรัพย์เราก็ใช้วิชาสร้างทรัพย์ได้เพราะวิชานั้นจริงเป็นตัวใหญ่แต่ว่าวิชามันก็เป็นผลอีกหละมันเกิดขึ้นมาก็โดยอาศัยการศึกษาและเรียนนะโดยความมันขยนันมุมาณนะเอาจริงกับจั ง, จงไม่ท้อถอยไม่หวั่นวันรูปสากอันตรายเป็นเส้นทางที่ยาวนานมาถึงยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเรียนตลอดชีวิต เป็นการศึกษาตลอดชีพมันต้องดูข่าวมันต้องอ่านหนังสือพิมพ์มันต้องอ่านตำลับตำราวิชาการต่างๆเนี่ยเพราะทําไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ทันอะไรเลยแต่เรื่องบางเรื่องยังมิขำตัวเองแต่ว่าที่จริงมันก็เราเป็นพระนะฮะฟุตบอลอังกฤษที่มาสองสองนั้นเนี่ยมาไม่รู้เรื่องเลยคือฟังความเขาพูดโอ้หนังสือพิมพ์มาใม่มันมีข่าวเป็นหน้าหน้าเลย แลมีแต่เรื่องฟุตบอลเอ๊ะมันอ่านมาทําอะไรอย่างนั่งนึกมันอ่านมาทำอะไรแล้วพอดีได้ข่าวว่าเด็กเขาประมูลเสือ้อนักฟุตบอลเน่ยราคาตั้งสองแสนแข่งกันนะเด็กผู้หญิงยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะแต่พ่อเขาก็หนุนลูกสาวก็เต็มที่ของลูกคนเดียวนะพ่อของําใจแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องนไะงเรื่องตอนเนี่ยมันไม่ใช่สายของพระ แต่สรุปว่าคนเราถ้าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้ว เ, เนี่ยพูดก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้แต่ดูก็ยังไม่เป็นเนย่ย้ำไปหาแยกแยกอะไรก็ไม่ค่คยออกไม่ไม่ไม่เยเข้าใจอะไรกันเพราะฉะั้นชีวิตของคนเรานั้นจะต้องพัฒนาตัวเองอย่าเกียจคร้าน อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งบุ่นามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยนนับแสนอย่าตกติ่นฐานใดก็ไม่แครนทั้งยากแค้นก็พอย่างว่าทางตนอย่างที่ท่านสอนไว้น่นเด็กต้องฟังทงั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี